เช่นวันนี้อาจจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปทำบุญทำบุญก็จะกลายเป็นเทวดาไปแล้วบัลลนนี้ก็อาจจะไปลักขโมยเพราะอยากจะได้ข้าวของเงินทองนีเราทำบุญทำบาปสลับกันไปเราก็เลยเป็นอะไรสลับกันไปอยู่เรื่อย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 อาจจะต้องพักการทำงานของใจเพราะเวลาทำงานใจก็เหนื่อยได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ใจมาทำงานอยู่ใช้ใจมาแสดงธรรมมาสั่งสอนมาสั่งสอนพระเนนสั่งสอนญาติโยมก็ต้องใช้ใช้ความคิดใช้มากๆก็เหนื่อยได้เหมือนการเหนื่อยใจแต่ไม่ได้ทุกใจไม่ได้เดือดร้อนใจก็ต้องพักในสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างหยุดความคิดชั่วคราว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 ใหอยู่กับงานที่เราทําอาบน้ําก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดมันถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งมันก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นที่คิดก็เพราะตอนนั้นไม่มีสติเห็นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆมีท่านผูคุณผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอยากจะถามปัญหาเลย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 พอเราสัมผัสกับอะไรถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากเราก็จะโกรธเห็นเราต้องหัดฝึกใจล้วอย่าไปอยากเห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆให้รู้เฉยๆเขาด่าก็ให้รู้ว่าเขาด่าอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเพราะอยากให้เขาไม่ด่าก็จะโกรธแล้วจะเสียใจขึ้นมาต้องฝึกหยุดความอยากหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสให้สัมผัสเฉยๆให้รู้เฉยๆ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 มันตกลุมตกบ่อพอตกลุมตกบ่อแล้วใจมันก็จะนิ่งเราก็จะหยุดพูดโธไปโดยอัตโนมัติ<ม>แล้วเราก็จะมีความสุขอย่าไปใช่ใช้สติดึงไปอย่าตามแสงไปยอย่าไปดูแสงเอย่าดูแสงแล้วสติไม่มีแล้วเดี๋ยวใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะไปไม่ถึงที่เราต้องการจะไปพยายามใช้สติรักษาสติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง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 เวลานั่งสมาธิควรจะนั่งในที่เงียบๆถ้ามีเสียงน้ำไหลน้ำตกด้วยจะได้ไหมครับคือมีเสียงน้ำไหลคือฟังเสียงน้ำแทนภาวนาพุโทโธจิตจับไปที่เสียงน้ำไหลจะได้ไหมครับไม่ควรหรอกควรจะใช้ลมหายใจหรือใช้คาบริกรรมพุโทโธดีกว่าเพราะถ้าไปเสียงน้ำเดี๋ยวต่อไปเวลาไม่มีเสียงน้ามันจะไม่มีอะไรให้เราจับ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 โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่เราฝึกเมตตาเมตตาในใจตนเองก็จะหายไปไม่เข้าใจความหมายใช้โทสะเจริญแก้โมหะเหมือนมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันคนละเรื่องกันโทสะเจริญก็ต้องใช้เมตตาโมหะเจรดก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะหายเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา